ช้างประสานเสียงพระมีเรื่องขบขันเรื่องหนึ่งที่ท่านมักจะได้เล่าอยู่เสมอแม้เหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับพวกช้างภายในบริเวณวัดป่าดานสีสำราญ อำเภอรพรเจริญจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่คำตันท่านพักอยู่ดังนี้ขบขันที่ว่าในบริเวณนั้นเป็นหินด่านแล้วก็พวกช้างพากันมาเล่นน้ำอยู่บริเวณหินด่านที่มีน้ำเต็มอยู่แถวนั้นตั้งแต่สมัยคนยังมีในน้อยโน้น คนมีอยู่ไม่มากนะพระท่านไปภาวนาอยู่ที่นั่นพวกหมูเพื่อนเดียวกันเล่าให้ฟังเราเองก็เคยเล่าให้ญาติโยมฟังขบขันจะตายแหละพระธุดงกรรมฐานท่านไปปักกลดอยู่บริเวณนั้นแถวแถวบริเวณหินดานซึ่งมีน้ำมากรอบรอบบริเวณหินดานที่พระท่านไปพักนั้น หลงช้างก็ามาเล่นน้ำที่นั่นละสิเล่นน้ำที่มากันเป็นโคลงโคลงเล่นจนกระทั่งคนรำคาญเสียงมันอึกระึกบางคืนจวนสว่างจึงพากนันหนีไปไม่ทราบว่าเขากินอะไรกันเพราะเล่นน้ำอยู่ตัานเกือบปลอดขืนแต่ละครั้งแต่ละครั้ง วันหลังมาพระท่านก็นัดแนะกันติดต่อชาวบ้านให้เขาเอาปีบแตกมาสำหรับเคาะไล่ช้างและชาวบ้านก็นำปีบแตกมาให้จริงๆตั้งหลายลูกพอถึงเวลากลางคืนช้างก็พากันมาเล่นน้ำที่บริเวณหินดานนั้นพระพักอยู่ตรงไหนตรงไหน ก็เอาปีแตบแต่ไปไว้ที่ตรงนั้นเวลาโขลงช้างมาเล่นน้ําที่นั่นก็เคาะขึ้นพร้อมกันเสียงเคาะปี๊แต่ละองค์ดังเป๊กๆขึ้นทุกทิศทุกทางรอบบริเวณนั้นโขลงช้างก็ตื่นวิ่งผู้เคาะปี๊ก็มีแต่เคาะท่าเดียวไม่คิดหน้าอ่านหลังเคาะเป๊กๆช้างต่างตัวก็ต่างกลัว และ ต, ต่างตัวต่างวิ่งหนีไปทางโน้นก็เป๊กๆไปทางนั้นก็เป <empieza> ๊กๆวิ่งมาทางโน้นก็เป๊กๆไปทางนั้นก็เป๊กๆวิ่งมาทางนี้ก็เป๊กๆช้างก็ต่างตัวต่างวิ่งไปมาและวิ่งไปชนเอากุติพระที่อยู่บนหินดานใส่ข้าวเปรี่ยงกุติพระที่ตั้งอยู่บนหินดาน ก็ล้มคลื่นลงพระที่นั่งอยู่ในกุฏินั้นก็ร้องลั่นขึ้นที่นั้นช้างก็วิ่งไปใหญ่เอาตัวรอดเพราะมันวิ่งหนีตายนี่กุฏิก็ไม่ใช่กุฏิฝังดินเป็นกุฏิตั้งอยู่บนหินดานชนปั้งเข้ากุฏิก็หงายล้มลงไปพระก็ร้องช้างก็ร้องส่วนช้างทั้งร้องทั้งเพ่นนี แต่พระนั่นร้องอยู่ในกุฏิที่ถูกช้างล้มลงไปตื่นเช้ามาหัวเราะกันลั่นเลยแถวนี้แหละที่หลวงพ่อตันอยู่ สนทนาธรรมเป็นธรรมเพื่อธรรมคำกล่าวตอนหนึ่งของท่านเกี่ยวกับการสนทนาธรรมภาคปฏิบัติของพระผู้มุ่งอัดมุ่งธรรมควรมีแนวทางต่อไปนี้ การสนทนาธรรมกันในทางภาคปฏิบัติผู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีความรู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นความรู้ความเห็นอันเป็นผลเกิดแปลกๆต่างๆกันมามันเป็นคติเครื่องพยุงจิตใจซึ่งกันและกันอยู่มากก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมรณะเข้าแฝงเลย แม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตรรมนาซึ่งตนบำเพ็ญมาและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ การสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีรรษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถานมั่นใจในความรู้และปัญญาของตนไม่พรั้นพึงวันไหวหรือประมา กลัวท่านจะซักหรือทักทวงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ี ดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกัน่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิดนาระอาจัยไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยาม ด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆ <S <S การสนทนาธรรมภาคปฏิบัติของดวงตานั้นท่านมีโอกาสพบปะพูดคุยกับครูบาอาจารย์องค์สาคัญๆหลายองค์ในวาระต่างๆกัน ครูบาอาจารย์บางท่านมีพันสามากกว่าบางท่านก็น้อยกว่าบางท่านเป็นลูกศิษย์บางท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์ของหลวงตาสมัยเรียนปริยัติหรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ มอมราชวงศ์ชื่นนกพวงที่หลวงตาให้ความเคารพนับถือเสมอมาแม้จนทุกวันนี้ท่านก็ยังมีโอกาสเข้ากราบด้วยการเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนั้นเป็นที่ฉงนสนเท่แก่หมู่เพื่อนของท่านอยู่มากเพราะโดยปกติ จะไม่มีพระเนนองค์ใดเข้ากราบสมเด็จแบบเดียวๆเช่นนี้นอกจากนี้แล้วการสนทนายังใช้เวลานา น, านจนถึงกับทำให้บรรดาพระเนนต่างรู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวสำหรับการสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนั้นขอยกมาแสดงเพียงบางท่านดังนี้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 เริ่มแต่กอไก่กอกาเรื่อยทุกกิทุกทกีเป็นยังไงยังไงว่าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งหมดความสามารถของเราแล้วเราก็มอบถวายท่านเลยบอกว่าท่านอาจารย์ยาภูกเป็นความเกรงใจกระผมฉะนั้นหัดค้องตรงไหนมันไม่ถูกตรงไหนขอให้ท่านอาจารย์บอกกันอย่างตรงๆงเอา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 มมุนีวงสนันจันทะปัจโชโตปทเก้า ว, วัดนรนาศุนทริการามกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหามุนีวงเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่ง ที่หลงตานำมาเล่าเป็นตัวอย่างสอนแก่พระเนนว่าครั้งหนึ่งท่านกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีมีธุระไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณสมเด็จที่วัด น, นรนาธเมื่อไปถึงกุฏิของเจ้าคุณสมเด็จท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็ผลักประตูเข้าห้องไป ตามแบบคนที่สนิทสนมกันมานานพบว่าท่านเจ้าคุณสมเด็จกำลังนั่งสมาธิอยู่เจ้าคุณสมเด็จแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าเจ้าคุณธรรมเจดีอุตสาเมตตามาเยี่ยมเยียนจากนั้นจึงได้สนทนากันอยู่พักใหญ่ ตอนหนึ่งของการสนทนาท่านเจ้าคุณสมเด็จพูดขึ้นว่าผมเองแม้อยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ฉันอาหารดิบๆ ด, บ ด, บดีๆนะก็ฉันของแห้งๆไปอย่างนั้นแหละฉันของดีจริงๆภาวนาไม่ดีเมื่อเจ้าคุณสมเด็จกล่าวถึงจุดนี้ทำให้หลวงตารู้สึกถึงใจ กับความเป็นนักภาวนาและนักต่อสู้สังเกตใจของท่านเพราะหลวงตาท่านทราบดีว่าผู้บำเพ็ญจิตภาวนาจำต้องมีการระมัดระวังและคอยควบคุมสิ่งที่จะทำให้ขัดขวางต่อการภาวนาได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลวงตา ให้ความเคารพต่อท่านเจ้าคุณสมเด็จเสมอมาสำหรับท่านเจ้าคุณสมเด็จเองก็เช่นกันสังเกตว่าท่านก็ได้ให้ความเมตตาและให้เกียรติต่อองค์หลวงตาอยู่ไม่น้อยทุกทุกปีหากมีการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณสมเด็จท่านเจ้าคุณสมเด็จ จะต้องได้นิมนต์หลวงตาไปแสดงธรรมอยู่เสมอทุกครั้งที่หลวงตามีโอกาสไปกราบเยี่ยมเยียนเจ้าคุณสมเด็จท่านจะคึกคักขึ้นทันทีด้วยเหตุการณ์ซึ่งสมเด็จกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครั้นพอทราบว่าหลวงตามาเยี่ยมท่านเจ้าคุณสมเด็จ อุตารีบลุกขึ้นรับทันทีด้วยทีท่าว่าตื่นเต้นดีใจแบบพื่นเริงในธรรมพร้อมกับกล่าวยกย่องหลวงตาว่าเศรษฐีทำมาแล้วเศรษฐีทำมาแล้วนับวันจะหายากแต่เศรษฐีเงินนี้มีเกลื่อนหลังจากวันนั้นไม่นาน ท่านก็หายอ า, าพาธอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ประหลาดใจแก่แพทย์ผู้ให้การรักษาทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าความปิติรื่นเริงในธรรมจัดว่าเป็นธรรมโอสถ ร, รักษาโรคชั้นเลิศความเคารพบูชาในธรรมและความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติกรรมฐานของท่านเจ้าคุณสมเด็จ ดังกล่าวนี้เองทําให้หลวงตาต้องได้กล่าวยกย่องให้พระเนรฟังเสมอเสมอว่าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงนอกจากท่านจะเป็นนักปริยัติแล้วท่านยังเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาเวลาพบปะสนทนากับเจ้าประคุณสมเด็จท่านจะสนทนาแต่เรื่องการปฏิบัติธรรม เกี่ยวกับสมาธิภาวนาด้วยทุกครั้งท่านจะไม่พูดถึงเรื่องโลกโลกภายนอกอันเป็นสิ่งสกปรกโสมมเลยพระเนรเราวควรที่จะประพฤติปฏิบัติรักษาตามแบบอย่างที่ท่านเคยปฏิบัติเอาไว้โดยเฉพาะเจ้าอาวาสนี้สำคัญมากนะเพราะเป็นผู้นำคนปกครองคน สุกินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่คราวหนึ่งท่านมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เข้ากราบหลวงปู่แวน ซึ่งท่านก็เป็นสิทธิ์รุ่นใหญ่อค์หนึ่งของท่านอาจารย์มั่นเช่นกันจากการสนทนาในครั้งนั้นทำให้ท่านกล่าวถึงหลวงปู่วแหวนด้วยความเคารพ บ, บูชาว่าท่านอาจารย์แหวนองคหนึ่งสามารถแก้ได้ตลอดทั่วถึง ทางด้านจิตใจเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่เอาเรื่องกับใครแล้วประการหนึ่งก็ไม่มีใครไปเล่าให้ท่านฟังท่านขี้เกียจยุ่งกับเรื่องขี้หมูราขี้มาแห้งท่านก็อยู่สบายสบายลองมีผู้มีภูมิมจิตภูมิธรรมมีความรู้ความเห็นต่างๆทางด้านปฏิบัติไปเล่าให้ท่านฟังดูสิไม่ต้องสงสัยว่า เสียงท่านจะไม่ขึ้นปงึงปังปึงปังเพราะท่านอยู่กับธรรมเท่านั้นถึงไม่ติดธรรมท่านก็อยู่กับธรรมเป็นเครื่องรื่งเรงิงระหว่างขันกับจิตที่ครองตัวอยู่การเข้ากราบหลวงปู <iles> ูแหวนคราวนั้นท่านมีโอกาสฟังธรรมป่า แบบเผ็ดร้อนเข้มข้นถึงสองวาระวาระแรกนานสิบนาทีสำหรับวาระที่สองนี้หลวงปู่แหวนท่านดูคึกคักตึงตังยิ่งกว่าครั้งแรกเสียอีกท่านแสดงธรรมด้วยน้ำเสียงอันดังเนื้อตัวผิวพรรณมีสีแดงสดใสเปล่งปลัง่งลักษณะของท่านในวันนั้น รู้สึกว่าดูรื่นเริงมากเป็นพิเศษครั้งหลังนี้ท่านพูดธรรมะนานถึงสี่สิบห้านาทีเลยทีเดียวเมื่อหลวงปู่แวนกล่าวธรรมะจบรงแล้วท่านก็พูดกับหลวงตาว่าเอา้าท่านมหาค้านนะถ้าผิดตรงไหนค้านนะด้วยความเคารพบูชาในธรรมะป่าของท่าน ซึ่งจะหาโอกาสฟังเช่นนี้ได้ยากยิ่งท่านจึงกล่าวขึ้นด้วยความซาบซึ้งในธรรมว่ากระผมไม่คานกระผมหาฟังอย่างนี้แหละ